ไ ม, ไม่ต้องส่งใจมาทางนี้ใจกลับไปที่ตัวเองเรามีหน้าที่คือดึงใจกลับไปไว้ที่ลมหายใจดึงใจกลับไปไว้ให้มันมีสติเฉพาะหน้าเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งเวลาที่เรา เราฝึกเราก็ต้องพยายามทำให้มันมันอาจจะฝืนความเคยชินซะหน่อยแต่สุดท้ายมันก็จะค่อยๆเคยชินคุ้นชินมากขึ้นแต่มันเป็นความเคยชินเป็นความคุ้นชินที่ที่ดีที่มันจะเสริมสร้างศักยภาพของใจที่ทำให้ ใจเนี่ยมีศักยาภาพที่จะรู้เท่าทันความทุกข์รู้ว่าอะไรที่มันเป็นเหตุจริงๆของความทุกข์ของเราซึ่งบางครั้งเวลาที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีทุกข์เกิดขึ้นกับตนเนี่ยแต่ละคนก็มีวิธีที่จะเข้าใจมันไม่เหมือนกัน พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงเรื่องนิทานเรื่องหมาแหละหมามันก็มีหมายอยู่ต้นนึงมันก็เป็นขี้เรือนมันก็คันนะพอมันคันปุ๊บมันก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้มันก็รู้สึกว่าโอ้ต้นไม้นี่ไม่ดีอยู่ต้นนี้แล้วมันก็ค้านคัน มันก็ย้ายย้ายไปอยู่ตรงอื่นมันก็คันเหมือนเดิมย้ายไปอยู่ตรงใต้เก้าอี้บ้างนู่นนี่นั่นมันก็ยังคันไม่หายนะสุดท้ายก็คือว่ามันมองว่าทุกที่มีมันอยู่ที่ต้นไม้บ้างอยู่ที่เก้าอี้บ้างที่ทำให้มันคันแต่มันมองไม่เห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอเหตุที่ทาให้มันคันก็คือไอความเป็นขี้เรื้อนของมันที่หลังมาของมันซึ่งถ้ามันรู้แล้วก็รู้ตามความเป็นจริงมันก็จะไม่ไปโทษต้นไม้บ้างไม่ไปโทษตัวอีบ้างไม่ไปโทษตรงไหนละแล้วก็ถ้าเกิดรักษาขี้เรื้อนมันหายมันก็หายคัน เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของความทุกข์ของเราได้อย่าง ถ, ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกคนก็จะมีคนที่ได้ฝึกเนหัดเพราะว่าได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ พระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องนี้ไว้องค์อื่นศา ส, สดาองค์อื่นก็พูดเกี่ยวกับความทุกข์เหมือนกันแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เกี่ยวกับทุกข์เนี่ยไม่ใช่แสดงว่าอะไรเป็นทุกข์อย่างเดียวแต่แสดงว่าเหตุเกิดทุกข์คืออะไรด้วยแล้วก็ความทุกข์ที่มันมีเนี่ยมันไม่ได้ตั้งเที่ยงตั้งมั่น แล้วดับไปไม่ได้พระองค์ก็ทรงสดแสดงไว้ว่ามันดับไปได้ให้เรามั่นใจเลยว่าไม่ว่าจะเป็นทุกอันไหนที่มันเกิดขึ้นกับเราถึงเวลาหนึ่งถึงจุดๆหนึ่งมันก็ดับไปแต่บางทีบางครั้งเราเจอความทุกข์แล้วรู้สึกมันแสนสาหัสเหลือเกินมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าโอ้มันยังอยู่กับเราไปอีกนานมันไม่ดับง่าย แต่ถ้าเราเชื่อมั่นในคําสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงความจริงเอาไว้มันดับไปได้แน่นอนมันดับแน่เพราะฉะนั้นกําลังใจที่เราจะอดทนแล้วก็มุ่งหน้าที่เราจะทําตามเส้นทางเดินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อันนั้นได้นอกจากจะทรงสดแสดงว่าอะไรเป็นทุกข์แล้วอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์แล้ว อะไรเป็นความดับของทุกข์แล้วพระองค์ก็ทรงสดแสดงเครื่องดำเนินทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้หักไม่ได้ฝึกหักจิตใจไม่ได้ฝึกหักเกี่ยวกับวิธีของจิตใจเขาก็จะมีวิธีการแก้ทุก อีกแบบหนึ่งอย่างเราได้มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมได้มาเริ่มที่จะฝึกหักจิตใจของตัวเราเองเวลาที่เราเจอทุกเล็กเล็กน้อยๆอยอย่างเช่นปวดเอวบ้างปวดหลังบ้างปวดขาบ้างแล้วเราก็อดทนได้แล้วเราก็พยายามที่จะดึงใจ ให้มันกลับมาตั้งไว้ที่ลมหายใจก็ดีที่คำบริกรรมพุโทโธก็ดีพอเราทำได้เนี่ยเราก็จะเห็นเห็นความเป็นจริงอันหนึ่งที่ว่ากายมันก็เป็นทุกข์ของมันใจที่มันไม่เกี่ยวเนื่องกับความทุกข์ทางกายก็มี เวลาที่กายสบายดีแต่ใจที่มันป่วยป่วยด้วยความหงดหงิดป่วยด้วยความหิวในอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นทุกข์แบบเด็ซึ่งกายก็สบายดีแต่ทำไมมันมีทุกข์อยู่ในหัว อ, อกมันมีทุกข์อยู่ในใจมันจึงเป็นทำให้เราเห็นนะมุมมองของเราก็จะเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปในวิถีที่เราจะดำเนินชีวิตวิถีที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับความทุกข์ของเราด้วยเราก็จะไม่ได้เหมารวมว่าเวลาที่เรามีทุกข์มันเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจปนกันแต่คนที่เห็นค่าคุณค่าของจิตใจเวลาที่เขา ได้ฝึกหาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาก็จะละเอียดขึ้นว่าฝั่งไหนอะไรเป็นเรื่องทางกายก็แก้ในแบบทางร่างกายไปส่วนปัญหาอันไหนที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาทางด้านจิตใจเราก็แก้ปัญหาแบบจิตใจเหมือนยกตัวอย่างถ้ารถชนเนี่ยรถชนกันอยู่ดีๆก็มีคนมาชนท้ายเราอย่างนี้เป็นต้น หรือไม่ก็บาดหน้าเราแล้วเราก็ไปชนท้ายเขาแน่นอนมันก็มีทั้งสองส่วนส่วนคือปัญหาภายนอกที่รถมันชนกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาไปแต่ภาพรวมมันก็คือมันมีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นคือรถมันพังเราต้องมาเจราจาค่าความเสียหายอีกแล้วก็สิ่งที่สาคัญก็คือ เราก็หมุดหยิดด้วยเราก็มโมโหด้วยอมันปาดหน้าเราแท้แท้เราไปชนชนท้ายเขาเียมันก็คนชนท้ายมันก็เสียเปรียบอยู่แล้วเจรจาก็พูดยากอีกแต่สมัยนี้ก็ยังดีมีกล้องพอมีกล้องติดรถมันก็ยังพอคุยแทนกันได้คุยแทนได้ว่าความจริงมันคืออะไร แต่พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้แยกแยะปัญหาว่าปัญหาทางกายเป็นยังไงปัญหาภายนอกอนะแต่ปัญหาภายในเขาก็จะเหมารวมไปเลยว่าเวลาที่มันหงุดหงิดเวลาที่มันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะทําให้ใจของเราเนี่ยมันไม่หงุดหงิดมันหายโกรธเราก็เห็นกันในทนะีวีน่ะว่า เขาใช้วิธีแบบไหนกันส่วนมากก็ลงจากรถไปก็ใส่กันก่อนอย่างบางคนมีอาวุธด้วยถ้ามีอาวุธอยู่ในรถด้วยก็ทำร้ายทำลายกันละอันนั้นเขาก็พยายามแก้ปัญหาทางจิตใจคือคลายความโกรธแบบทางกายภาพทำร้ายคนอื่นโดยมุ่งหวังว่า เราจะคลายความโกรธลงบรรเทาความโกรธของเราลงได้อันนี้ก็คือคนเหมาแบบเหมาเหมาแต่ถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติเราก็ต้องแยกแยะให้มันละเอียดขึ้นนะปัญหาภายนอกคือรถชนก็เรียกประกันเปิดกล้องหน้ารถดูอะไรก็แล้วแต่แต่ปัญหาความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจ น, นันเป็นปัญหาทางด้านจิตใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเอาใจออกจากความเร่าร้อนตรงนั้นเสียก่อนทํอยังไงก็ทําอย่างที่เราฝึกอยู่นี่แหละโดยการที่เราดึงใจออกจากความโกรธความหงุดหงิดดึงกลับมาไว้ที่เครื่องอยู่ที่เราฝึกแบบนี้ที่ลมหายใจก็ดี ที่คําบริกรรมพุทโธก็ดีการที่เราดึงกลับมาได้เนี่ยความโกรธถึงแม้มันจะไม่ดับไปณตอนนั้นแต่อย่างน้อยๆมันเหมือนเป็นเบรกห้ามล้อไม่ให้เราพูดไม่ดีไม่ให้เราทําไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันก็ไม่บานปลาย พอเรายับยั้งจิตใจของเราไว้ที่ลมหายใจไว้ที่คำบริกรรมพุทโธแบบนี้แล้วก็พยายามเขาจะพูดอะไรที่มันแทงเสียดแทงจิตใจเราเขาจ ะ, สะแสดงกิริยามารยาทยังไงก็ทำเหมือนอย่างที่เราทำนี่แหละไม่ใส่ใจรักษาใจไว้ที่พุทโธ ร, รักษาใจไว้ที่ลมหายใจ เราก็จะผ่านเหตุการณ์ทางด้านจิตใจตรงนี้ไปได้โดยที่เราไม่ได้มีวาจาที่ไม่ดีออกไปหรือมีกิริยาที่มันไม่ดีออกไปอันนี้คือผู้ฝึกหัดปฏิบัติอันนี้ก็อาจจะแบบว่าทั่วไปแต่ถ้าคนที่ฝึกหัดปฏิบัติได้ดีได้ชนานาญ ความโกรธความขัดเคืองใจที่มีมันก็จะไม่ได้ลุกลามใหญ่โตจนแบบหงุดหงิดข้ามวันข้ามคืนเราก็จะปล่อยวางอารมณ์มานั้นได้่ถ้าชำนาญจริงๆเนี่ยมันมันเห็นความไม่พอใจตั้งแต่ตอนที่วินาทีที่เขาอาจจะปาดหน้าเราหรือเราชน ชนท้ายเขาถ้าคนที่รักษาใจฝึกมาอย่างดีเนี่ยเขาก็มันก็จะอัตโนมัติเละรีบดึงใจกลับมาไวท้ที่ลมหายใจรีบดึงใจกลับมาไวท้ที่พุทโธเพื่อยับยั้งยับยังยบย้งความไม่พอใจไม่ให้มันเติบโตขึ้นไปเป็นความขัดเคืองไม่ให้มันเติบโตไปเป็นความโกรธ มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้ที่มันตัวเล็กๆต้นไม้ต้นเล็กๆ เ, เวลาที่เราจะถอนมันเนี่ยมันก็ไม่เปลืองไม่เปลืองแรงแต่ถ้ามันโตขึ้นไปเป็นความขัดเคืองโตขึ้นไปเป็นความโกรธอย่างเงี้ยมันเป็นเปรียบเหมือนเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เวลาจะถอดจะถอนมันก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยใช้แรงมากหน่อยใช้เครื่องมือเยอะหน่อย คนที่รักษาคนที่ฝึกผัดจิตใจที่ละเอียดเขาก็จะพยายามไม่ให้มันกระทบกระเทือนแล้วก็ปล่อยให้มันพัฒนาทางด้านอารมณ์ไม่ดีออกไปมากๆให้มันเติบโตขึ้นเขาก็พยายามเฝ้าดูตั้งแต่ตัวเล็กๆนี้แหละซึ่งการที่เราจะเฝ้าดูให้มันเห็นอารมณ์ในใจที่มันละเอียดตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ย กำลังสติที่คอยหมั่นเฝ้าดูอยู่ตลอดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำให้มันได้ซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแต่อารมณ์ในใจที่มันเป็นอารมณ์ที่มันตัวใหญ่แล้วละ่ะอย่างเวลาดีใจดีใจก็ดีใจมากๆดีใจมาจากไหนมันก็มาจากการที่เรา ได้รับเรื่องที่มันพอใจพอใจเล็กน้อยก็พปฒนนาไปเป็นพอใจมากพอใจมากก็ดีใจดีใจมากๆซึ่งเรื่องที่มันมากระทบใจเล็กน้อยแล้วมันมีผลกระทบกับอารมณ์ในใจของเราเราคอยเฝ้าดูเฝ้ารู้สังเกตอยู่ที่ลมหายใจเราเนี่แหละเราก็จะค่อยๆเห็นธรรมชาติ เห็นธรรมชาติของตัวเราเองเห็นธรรมชาติของใจของเราเองแล้วสิ่งที่มันได้ก็คือเราก็จะเข้าใจเข้าใจเราด้วยพอเราเข้าใจตัวเราด้วยเราก็เข้าใจคนอื่นด้วยเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้ดีขึ้นมากขึ้น ในวงเล็บเข้าใจแบบตามที่มันเป็นจริงๆตามธรรมชาติของมันที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่เข้าใจในแบบที่เราอยากให้มันเป็นแล้วมันก็บังคับได้เป็นแบบที่เราอยากให้เป็นแต่เราพยายามฝึกฝึกให้ใจเนี่ยรู้ดูรู้แล้วเข้าใจเข้าใจตามความเป็นจริงนี่แหละ ความเป็นจริงของโลกใบนี้ความเป็นจริงของธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงซึ่งคนที่ทุกน้อยกับคนที่ทุกมากทางใจนะถ้าสำรวจให้ดีแล้วเนี่ยมันก็มาจากการที่ใจอะมันยอมรับสภาพตามความเป็นจริงได้ไม่เท่ากัน คนที่ใจยอมรับสภาพตามความเป็นจริงได้ดีคนนั้นก็ทุกน้อยหน่อยแต่ถ้าใครมีใจที่มันฝืนฝืนความเป็นไปของธรรมชาติมากๆคนนั้นก็ทุกเยอะหน่อยยกตัวอย่างอย่างเช่นธรรมชาติของคนเรามันคืออะไรของสัตว์เนี่ยก็คือเกิดใช่ไหม แก่แล้วก็มีป่วยไข้สุดท้ายก็ตายเอาแค่นี้แหละใจของเราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติอันนี้ดีมากน้อยเท่าไหร่เราเคยคิดว่าเราจะแก่ไหมตั้งแต่เด็กๆนะจนมันเริ่มที่จะมีความป่วยไข้สีผมเริ่มเปลี่ยนบ้างแหละ ปวดหลังปวดเอวมากขึ้นมากแหละต้องไปหาหมอบ่อยขึ้นมากแหละเราค่อยเริ่มที่จะยอมรับสภาพได้ว่าเออเอ อ, เ, อ, อเรามันแก่แล้วนะแต่สำหรับบางคนที่ไม่รับสภาพว่าตัวเองแก่ป่วยไข้ก็มันก็ต้องดิ้นรนอะอย่างคนบางสมัยนี้ก็ อะไรอะ่ะมีเทคโนโลยีเยอะไม่อยากได้ผิวหนังเหี่ยวเหียวก็ไปเข้าร้านเสริมสวยเอาไปดึงมั่งไปฉีดมั่งให้มันแบบว่าไม่เหี่ยวไม่ยน่นอย่างสีผมที่มันเปลี่ยนไปก็ไปทาสีเพราะเราไม่ชอบสีนี้สีขาวๆไม่ชอบชอบสีดำแล้วก็ไปย้อมสีดำ ความยุ่งยากในชีวิตมันก็มีมากขึ้นความสุขของเราเนี่ยมันย้อนแย้งกับความเป็นไปของธรรมชาติเข้าใจปะเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อผิวหนังเรามันตึงผมเราจะต้องสีดําหรือสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวเหล่านี้เป็นต้นมันก็ทําให้พอมันย้อนแย้งกับความเป็นไปของธรรมชาติเนี่ยเราก็เหนื่อยหน่อยทุกเยอะ ย, ย้อมผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าย้อมทีเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตก็ไม่ใช่ย้อมไปย้อมมาสักพักสีมันก็จืดจางไปไอสิ่งที่เราปกปิดสิ่งที่เราไม่อยากให้เห็นมันก็กลับออกมาให้เราเห็นอย่างไอที่ฉีดให้มันตึงอยู่ได้สองเดือนสามเดือนมันก็กลับเสื่อมสภาพไปผิวหนังเราก็เขียวย่นเหมือนเดิมก็คือความเป็นจริงมันโผล่ออกมาแล้วเป็นไง เราก็ทุกข์ใจเราไม่ชอบความสุขของเรามันอยู่บนพื้นฐานตรงที่ว่ามันต้องคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่สภาพความเป็นจริงของธรรมชาติโลกใบนี้ก็คือมันไม่มีอะไรเที่ยงมันไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรมันแปรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาซึ่งถ้าเราคิดว่าเองจิตตนาการดูก็ได้ถ้าใจเรายอมรับได้ ความสุขของเราไม่ว่าผมเราจะสีอะไรเราก็ไม่แคร์ยอมรับมันได้ตามความเป็นจริงหรือผิวมันจะตึงขนาดไหนหย่อนขนาดไหนเราก็รับสภาพมันตามความเป็นจริงได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนแบบซกมกไม่ดูแลไม่ใช่นะเราก็ดูแลทาความสะอาดมันตามความเหมาะสมตามสมควร แต่เราก็ยอมรับมันได้อะเด็กๆมันก็ผิวหนังแบบหนึ่งวัยรุ่นก็แบบหนึ่งคนอายุ 40-50 หมันจะไปมีผิวหนังตึ ง, ตงผของใสเหมือนกับพวกเด็กๆ เ, เป็นไปไม่ได้ถ้าเรารับสภาพอันนี้ได้ความสุขเรามันก็ไม่ได้แขวนอยู่กับผิวหนังตึงๆอีกต่อไปเงื่อนไขความสุขของเรามันก็ไม่ซับซ้อนเพราะไม่ซับซ้อนมันก็ไม่ทุกข์เยอะเข้าใจปะ พอไม่ทุกเยอะชีวิตเราก็เบาสบายผมขาวเราก็ไม่ทุกข์เพราะใจเรามันไม่ได้ย้อนแย้งกับความเป็นจริงผิวมมนใจ่เหี่ยวเราก็ไม่ทุกข์ก็สภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ให้คิดมันคิดได้แต่เวลาที่มันปรากฏกับเราจริงๆแล้วเนี่ย ใจเราอะยอมรับมันได้ขนาดไหนยอมรับมันได้จริงๆที่ความรู้สึกหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราบอกกันได้ว่าเอออย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกอย่าไปเอาใจไปผูกไว้แต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยใจเรามันมันไม่ไปตามที่คิดไว้เนี่ยมันก็ต้องทุกข์แน่นอนเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่คือพยายามสอนใจเราบ่อยๆคนที่อยากทุกข์น้อย คนที่อยากมีความสุขทางใจที่ไม่ซับซ้อนคนที่มีความสุขทางใจที่มันละเอียดประณีตมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปแบบเปล่าๆแบบนี้เขาก็จะเอาเวลาที่มีอย่างเนี้ยคอยคุยคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆเนือ ง, องว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็ไม่เทีย่ยง มันเกิดขึ้นมันก็แปลเปลี่ยนไปสุดท้ายมันก็แตกสลายหายไปทุกสิ่งบนโลกไปเนี้ยมันก็มีจุดจบอยู่เท่าเทียมกันถ้าจะพูดให้นั่นก่อนก็คือว่ามันมีเส้นทางเดินเหมือนกันก็คือมุ่งหน้าไปสู่ความแตกสลายหายไป พอพูดอย่างนี้ปุ๊บก็อยากให้ลองถามใจตัวเองอีกสักรอบหนึ่งว่าใจเราเนี่ยมันรู้สึกอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่าเรายังรู้สึกว่าเราก็ยังอยู่สิบปีก็ยังอยู่อีกยี่สิบปีก็ยังอยู่ดีไม่ดีบางคนไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องตาย ความรู้สึกมันก็เหมือนกับอยู่ได้ตลอดชัว่วกบักอย่างนั้นนะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องต้องต้องบอกมันต้องสอนมันต้องคุยกับมันว่าไม่ใช่การที่เรารู้สึกอย่างรู้สึกแบบนั้นเนี่ยไม่ถูกใจเรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะ ความเป็นจริงของธรรมชาติใบนี้นี่มันไม่มีอะไรเที่ยงมันเป็นสิ่งที่มันนำทุกข์มาให้เราน่เลยแล้วมันวันหนึ่งมันก็ต้องแตกสลายหายไปอย่างที่ว่าแม้ตัวเราเองนะ่ะที่เราดูแลอย่างดีตั้งแต่เช้าจนเข้านอนทุกวัน ถ้าเราพิจารณาให้ดีมันก็เป็นสิ่งนำทุกข์มาให้เราเป็นภาระที่เราจะต้องพามันไปกินพามันไปขับถ่ายต้องคอยทำความสะอาดมันเป็นแต่ภาระนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้วิจารณาเราก็เลยมองไม่เห็นเราก็อาจจะมองมันในมุมเดียวคือว่ามันดีมันสวยมันงาม เวลาที่มันแปรเปลี่ยนไปบ้างเราก็หลับตาไว้ข้างหนึง่งไม่มองไม่สนใจเขาเรียกว่าไม่น้อมมาใส่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นภาระเป็นทุกข์ให้เราซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ควรเอาใจเราไปผูกไว้กับมันมากจนเกินไป ซึ่งการที่เราจะสอนให้มันเข้าใจรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องคอยคอยมีสติเห็นใจเราบ่อยๆคอยมีสติที่จะรู้ว่าใจของเรามันรู้สึกอะไรรู้สึกไปทางไหนสวนทางกับความเป็นจริงไหมแล้วเราต้องชี้แจงหาอุบายที่จะให้มัน ไม่ยึดไม่ถือแล้วก็เข้าใจจริงๆตามความเป็นจริงให้ได้อย่างเรานั่งนี่ก็นั่งกันมาครึ่งวันใช่ไหมมันแน่นอนแหละมันก็ต้องเริ่มที่จะแสดงอาการรนรว น, รวนแสดงอาการทุกให้เราเห็นนั่นแหละปวดแข้งปวดขาเมื่อย ก็เป็นเรื่องธรรมดามีขาไม่ปวดขามันก็ปนแปลกมีแขนไม่ปวดแขนก็เป็นเรื่องแปลกแต่ที่สำคัญคือมันปวดได้แต่อย่าให้มันมาทำร้ายจิตใจของเราพยายามรักษาใจให้ดีปวดขาก็ปวดไปปวดทนก่อนปวดทนมากๆปวดมากๆ จิตใจมันทรงไว้กับเครื่องอยู่คือลมหายใจไม่ไหวติ้นรนกระสาบกระสายมากเราก็หย่อนให้มันหน่อยหนึ่งเปลี่ยนอิเดียบทสักหน่อยสลับข้างบ้างอะไรบ้างให้มันคลายลงบ้างเราจะได้มีสติที่มีกําลังพอที่จะรักษาใจของเราเอาไว้ไม่ให้ความความ ปวดทางกายทุกขเวทนาทางกายมันครอบครอบงำจิตใจของเราเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราเห็นจังหวะที่ใจเรามีกําลังที่ดีที่ใจของเราไม่ไม่โดนทุกข์มันครอบงำที่ใจเป็นเอกเทศจากกายจากอารมณ์ทางกาย ตั้งมั่นอยู่ในภายในพอเราเห็นอย่างนั้นได้มันก็ค่อยๆฝังลงไปในความรู้สึกเราเนี่ยว่าเออือความจริงลักษณะนี้มีอยู่กายที่มันไม่เกี่ยวเนื่องด้วยใจก็มีอยู่และไอ้คำพูดที่ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยมันจริงจริง เวลาที่ร่างกายมันมีปัญหาแต่ใจเราไม่มีปัญหาไปกับมันด้วยมันมันได้โดยเฉพาะตอนป่วยไข่นะคนที่ป่วยไข่นะี่ส่วนมากก็จะป่วยกายแล้วก็ป่วยใจไปด้วยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนที่มีกำลังใจดียกตัวอย่างบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ย รู้ตัวว่าเป็นมะเรง็งสามวันห้าวันกำลังใจไม่ดีตายก็มีแต่อย่าบางคนกำลังใจดีแข็งแรงกำลังใจเป็นกาลังใจมันเป็นเลิศอ่ะเขาก็เห็นนะว่าไอ้กายก็ส่วนร่างกายไปทาไมเราต้องป่วยใจด้วยเพื่อป่วยกายก็ป่วยไปมันจำเป็นต้องป่วยใจเรารักษาใจได้ร่างกายก็ให้หมอไป หมอเขแนะนํำยังไงเราก็ทําตามไปต้องกินอะไรต้องเว้นอะไรต้องออกกําลังยังไงก็ทําตามคําแนะนําไปแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราก็รักษาใจเราอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละใจที่มันไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไปตามร่างกายมันมีเราก็มั่นใจได้เลยว่ามันทําได้มันมีคนทําได้ เราก็ทำได้เหมือนกันเราขอแค่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาฝึกให้มันจริงจังนะจริงจังเราจะได้ใช้เวลาที่ที่มีอาจจะเหมือนไม่มากแต่มันก็ถ้าเราใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพให้มันคุ้มค่าเราก็จะได้อาวุธทางใจ เราก็จะมีอาวุธติดไว้กับใจเอาไว้ต่อสู้กับความทุกข์แต่แน่นอนว่ามันทั้งหมดทั้งมวลมันจะมาจบจบลงตรงแค่วันสองวันอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะลําบากแต่อย่างน้อยมันก็จะทําให้เราเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นอย่างน้อยคนที่ไม่เคยไม่เคยที่จะสัมผัสว่า เออเวลาใจที่มันเป็นนายกายจริงๆแล้วเนี่ยเ อ, อมันดีนะกายมันก็ส่วนกายไปใจเราไม่เกี่ยวเนื่องใจเราก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของร่างกายจะมีทุกขเวทนาทางกายแต่ไม่ทำร้ายถึงจิตใจเราได้แค่ความเชื่อมั่นแบบนี้เนี่ยก็ซื้อหากันไม่ได้แล้ว มันต้องทำได้ด้วยตัวเองทำให้ได้พอทำได้มันก็เป็นสมบัติของเราของใครของมันทำให้กันก็ไม่ได้ด้วยซื้อหาก็ไม่ได้ด้วยเหมือนเราหิวข้าวถ้าเราหิวข้าวาเราให้ตังค์เพื่อนไปซื้อข้าวแล้วก็กินให้เราดูาเราก็ไม่อิ่มเพื่อนอิ่ม เพื่อนไปคนกินอันนี้มันก็เหมือนกันเราต้องทำจนมันเป็นผลปรากฏขึ้นที่ใจของเราซึ่งถ้ามันเป็นผลปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยก็เหมือนเราได้ได้รับประทานมันได้กินมันจากใจที่หิวหิวในอารมณ์อยู่ ต่อเ น, นื่องไม่เคยหยุดหย่อนว่างก็อยากจะเสพแต่อารมณ์อย่างคนสมัยนี้เห็นชัดสัก4ี่0ห้าปีก่อนก็อาจจะไม่เห็นชัดเท่าสมัยนี้อย่างสมัยนี้ทุกอย่างมันโลกทั้งใบมันอยู่ในมือถือของเราอะถ้าเราว่างปุ๊บใจมันก็เอาแล้วสั่งตา มาหาอะไรมาให้ดูหน่อยหูหูหาอะไรมาให้ฟังหน่อยมือิดควา้าโทรศัพท์มาสิเห็นตอนใจมันก็สั่งลแล้วพวกนี้เนี่ยมันก็จะผลานผลานเวลาเราอะวันหนึ่งให้มันหมดไปกับแบบนั้นหมดไปกับอารมณ์ที่พัฒนาใจเราไปทางลบพระโทสะโมหะรคะ แต่ไม่ได้หมดไปกับการที่เราจะมาพัฒนาใจให้เป็นใจที่น่ายใครกําหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับไม่เหลือเป็นไปเพื่อนิพพานมันจะไม่ได้พาเราไปในลักษณะนั้นแต่มันก็จะพาให้เราไปหลงเพลินยินดีไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส แล้วก็เพลินไปเพลินเพลินไปเพลินไปเพลินไปก็ยึดติดยึดติดยึดถือยึดมั่นเราจะเหลอยึดติดยึดมั่นก็สำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเพอสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเท่านั้นแหละทุกเกิดขึ้นเยอะยกตัวอย่างเงินอะ ถ้ามีเงินในกระเป๋าเราเงินของเราในกระเป๋าเราแล้วก็หายไปเทียบกับเงินของใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักด้วยเขาทําเงินหายอารมณ์ในใจมันก็คนละอยา่างใครที่ไม่รู้จกักเราไม่รู้จกักเขาทําเงินหายเราก็เฉยๆ่ะไม่ได้กระท้อกระเตือนใจมาก อาจจะหายสักแสนหนึ่งสองแสนมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมแต่พอเงินเราหายสักสองสามพันในกระเป๋ากระทบเยอะเลยมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนแหละแต่มันอยู่ที่เรามันไม่ของเราเพราะมันเป็นของเราเนี่ยมันจะน้อยมันจะมากมันสาคัญทั้งนั้นมันกระทบใจเราได้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นของเราแล้วยังไงเราก็ต้อง พยายามที่จะบอกมันสอนมันแก้ใจให้ได้หมดไปก็หาใหม่ได้เป็นต้นหรือไม่ก็ตายไปเราก็เอาเงินที่เราหาได้ทั้งหมดไปไม่ได้อยู่ดีไอความเป็นจริงที่เราคอยพิจารณาเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ มันไม่มีสาระเก่นสารทิ่งแท้แน่นอนที่เราคอยสอนใจเราบ่อยๆพอเราเป็นอย่างนั้นสอนใจเราอยู่เรื่อยๆหนึงน่งๆเวลาเราเจอปัญหาเจอเรื่องที่มากระทบใจเนี่ยมันจะได้พอมีช่องมีอุบายที่เราจะได้ออกจากทุกนั้นๆเพราะอะไรเพราะเราพิจารณา พิจารณาถึงความไม่มีสาระเก่นสารที่เที่ยงแท้แน่นอนเราพิจารณาแล้วเราซึ้งลงไปในใจอย่างนั้นได้จริงๆมันก็ไม่กระเทือนใจเรามากนะก็อย่างที่บอกอย่างเงินหายใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกตายไปเราก็ไม่ได้เอาเงินที่มีอยู่ไปได้หมดทุกบาททุกสตางค์จะที่ไหนหายไปที่นี่ก็ช่างมันหาใหม่ก็ได้ ถ้ามันทำใจได้อย่างนี้มันก็ทุกน้อยแหละทุกน้อยกว่าที่เรารู้สึกว่าโอ้ยหายทั้งสองพันสามพันใช่ไหมยิ่งคนมีไรายได้ไม่มากเนี่ยสองพันสามพันมันก็เยอะอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันไม่ได้อยู่ว่าเราจะหาทางออกโดยการคิดโดยถ่ายเดียวแต่หาทางออก หาอุบายจากการคิดเพื่อที่จะมาปลดเปลื้องความรู้สึกทางใจของเราซึ่งถ้าเรามีใจที่ฝึกขัดดีแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีอุบายในการคิดที่จะนำออกจากทุกเนี่ยใจมันก็จะน้อมไปในเส้นทางนั้นได้น้อมไปปล่อยวางได้แต่ถ้าใจ ที่ไม่ได้รับการฝึกหัดอบรมต่อให้คิดคิดเหมือนกันเลยเอยมันก็ไม่ได้เอาไปได้หรอกหลังจากที่เราตายไปแต่ผลมันไม่เหมือนกันเพราะใจที่ไม่ได้ฝึกหัดก็จะไม่น้อมไปตั้งความจริงอันนั้นมันก็ยังมีความเสียดายอยู่มันก็ยังมีความยึดถืออยู่ มันไม่ได้เห็นถึงความไม่มีสาระเก่นสารที่ใจจริงๆเพราะฉะนั้นอุบายเหมือนกันแต่ได้ผลไม่เหมือนกันก็เพราะเป็นใจที่มันฝึกหัดไม่เหมือนกันนี่คุณสมบัติของใจที่ฝึกหัดดีแล้วเนี่ยก็จะคล้อยตามความเป็นจริงได้ดีพอคล้อยตามความเป็นจริงได้ดีก็ เห็นถึงความไม่มีสาระแกนสารได้ง่ายพอเห็นอย่างนี้ง่ายก็ปล่อยวางได้ง่ายง่ายกว่าคนที่ไม่ได้พิจารณาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็สติที่คอยเห็นใจก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลน่แหละที่มันจะต่อยอดออกไปจากตรงนี้อุบายต่างๆหรืออะไรต่างๆมันก็ต่อยอดมาจากที่ เรามีสติที่จะคอยเห็นใจเราอยู่เรื่อยๆหนึ่งเพ <c oughs> ื่อพยายามอย่างฟังนี่ก็ไม่ต้องส่งใจมาเพราะว่าอะไรเพราะการที่เราส่งใจออกมาเราก็ไม่ได้เห็นลมอย่างจริงจังเต็มที่ใจเราก็ไม่ได้ย้อนกลับไปในภายในของเราเต็มที่ก็เหมือนอย่างที่บอกไว้เมื่อช่วงเย็น คนที่มีทุกข์มากกระแสใจมันจะออกไปข้างนอกแต่คนที่ฝึกหัดดีแล้วมีทุกข์น้อยเขาพยายามจะดึงกระแสะใจกลับมาไว้ที่ตัวที่เครื่องอยู่พุทโธก็ดีลมหายใจก็ดีเขาก็จะพยายามดึงกลับมาดึงกลับมาไม่ปล่อยให้มันพุ่งออกไปข้างนอกถึงมันจะเป็นเรื่องดีก็ตามเขาก็ไม่ปล่อยออกไปเขาก็พยายามมีสติรักษาใจให้ ตั้งมั่นอยู่ในภายในนี่แหละแล้วก็ทรงไว้ให้มันชำนานทำให้ได้ทำให้ดีทำให้ชำนานทำให้มันบ่อย